ข้อเจนาในบ่ายวันนี้นะครับก็จะอยู่ในพระธรรม1โครินบทที่10ข้อที่13นะครับและหากว่าพี่น้องมีพระคัมภีร์อยากจะให้พี่น้องได้เปิดในพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งลูกาบทที่ส0ลูกาบทที่ส0ขอโทษกับลูกาบทที่12บสองข้อสิาครับลูกาบทที่12ข้อ13 ลูกาบทที่12ข้อ13นะครับเมื่อพี่น้องเปิดพบแล้วเราจะอ่านพร้อมกันลูกาบทที่12ข้อ13นะครับเราจะอ่านจนถึงข้อที่21นะครับขอเชิญ อ, อ่านพร้อมกันครับมิสขอโทษนะมีผู้หนึ่งในหมู่คนทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าค่าขอสั่งพี่ชายของข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกให้กับข้าพเจ้า แต่พระองค์ตรัสตอบเขาว่าบุรุษเอย๋ยใครได้ตั้งเจ้าให้เป็นตุลาการหรือเป็นผู้แบ่งมรดกให้ท่านแล้วพระองค์จึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงระวังและเว้นเสียจากการโลภทุกประการเพราะว่าชีวิตของคนนั้นไม่ได้อยู่ที่การมีของฟุ่มเฟือยพระองค์จึงตรัสคําเปรียบเทียบข้อหนึ่งให้เขาฟังว่าไร่นาของเศรษฐีคนหนึ่งก็เกิดผลบริบูรณ์มากเศรษฐีคนนั้นจึงคิดในใจว่า เราจะทาอย่างไรดีเพราะว่าเราไม่มีที่ที่จะเก็บผลของเราเขาจึงคิดว่าเราจะทําอย่างนี้คือจะรื้อยุ้งฉางของเราเสียและจะสร้างใหม่ให้โตขึ้นแล้วเราจะรวบรวมข้าวและสมบัติทั้งหมดของเราไว้ที่นั่นแล้วเราจะว่าแก่จิตใจของเราว่าจิตใจเอย๋ยเจ้ามีทรัพสมบัติมากเก็บไว้พอหลายปีจงอยู่สบายกินดื่มและรื่นเรองเถิเดแต่พระเจ้าตัดแก่เขาว่า โอคนโง่ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้าแล้วของซึ่งเจ้าได้รวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเล่าคนที่สัมสมทรัพย์สมบัติไว้สําหรับตัวและมิได้มั่งมีจําเพาะพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระเจ้าพระบิดาอีกครั้งหนึ่งที่ทั้งหลายทูลขอความเมตตาสติปัญญาและการเจิมที่มาจากพ่อแม่บริสุทธิ์เหนือพระชนะของพระองค์และเหนือประชากรของพระองค์ในบ่ายวันนี้ ขอทรงโปรดอวยพระพรผู้ได้ยินได้ฟังพระชนะของพระองค์กับดักที่ดักชีวิตของข้าพงษ์ทั้งหลายเพื่อที่ให้ไมฆข้างหลายนั้นจะจำเริญเติบโตขึ้นเพื่อที่จะเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ในที่สุดขอกับดักนี้จะถูกถอยออกไปในพระนามของพระเยซูเจ้าชาวนาสเลตที่กับดักต่างๆเหล่านี้ซึ่งมาจากมาและศัตรูของเราจะไม่มีสิทธิ์มีส่วนในชีวิตของพี่น้องของข้าพรงษ์และข้าพงษ์หลายทุกๆุกคนกราบทูล ขอมอบเวลาต่อไปนี้ให้อยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับก่อนอื่นนะครับผมจะขอโคดคำของชาวนะครับคำของชาวที่เป็นนักเทศผู้ยิ่งใหญ่เขาพูดอย่างนี้นะครับบอกว่าถ้าหากว่าท่านฟังเทศนาทุกครั้งแล้วเนี่ยกลับไปด้วยความรู้สึกดีๆนะครับความรู้สึกดีนะครับ ก็แสดงว่านักเทศเนี่ยนะครับป้อนแต่ขนมหวานให้กับท่านค <c oughs> ำพูดคานี้น่าคิดนะครับบอกว่าถ้าหากว่าท่านกลับไปแล้วเนี่ยรู้สึกดีทุกครั้งเลยนะครับหมายความว่าไงครับรู้สึกดีทุกครั้งหมายความว่ากลับไปแล้วเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยชีวิตของเราก็เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องมีอะไรดีขึ้นกว่านี้เพราะเดิมเนี่ยดีแล้วนั่นแหละครับแสดงว่านักเทศเนี่ย หรือผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ของเขาและไม่ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ก็คือเขาป้อนแต่อะไรครับป้อนแต่ขนมหวานป้อนแต่ทอฟฟี่เพิ่มป้อ น, ป, อนป้อนแต่ไอตัวเคลือบเคือบนะครับไว้พี่น้องครับในบ่ายวันนี้หัวข้อของผมก็คือกับดักนะครับกับดักพระเนะของพระเจ้าในท่อนแรกนะครับ ได้พูดถึงบอกว่าให้เราเลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่หข้อที่สองนะครับปรากฏอยู่ในจอนะครับจงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ในความดูแลของท่านมิใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจไม่ใช่ด้วยเห็นแก่ทรัพย์สิ่งของที่ได้มาโดยทุจริตแต่ด้วยใจเลื่อมใสเพราะเจ้นของพระเจ้านั้นเรียกร้องให้คนของพระองค์เนี่ยดูแลซึ่งกันและกันนะครับคนที่มีจิตวิญญาณที่สูงดูแลคนที่มีจิตวิญญาณที่ที่ อ่อนแอกว่าเพราะฉะนั้นความอบอุ่นเกิดขึ้นในคิตจักรของพระเจ้าในขณะเดียวกันครับคิตจักรของพระเจ้าเนี่ยหรือชีวิตเติบโตของพวกเรานะครับก็ต้องมีหลุมพลางหลุมพรางหรือกับดักนะครับในวันนี้ผมขอนำเสนออยู่4ประการด้วยกันจากชีวิตของเศรษฐนะีเศรษฐีคนนี้นะครับพระกัมพีใช้าคาว่าเศรษฐีงโง่ เซทีโง่เนี่ยเขาเจอกับดักอะไรบ้างประการแรกครับเขาเจอคอมฟอร์ตโซนนะพี่น้องครับคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนนั้นแปลว่าสภาวะแห่งความสุขสบายครับนะสภาวะแห่งความสุขสบายนั้นเป็นกับดักเราได้อย่างไรพี่น้องครับสภาวะแห่งความสุขสบายนั้นนําไปถึงความเฉื่อยชาและเฉื่อยชา เพราะเนื่องจากว่าเราสุขสบายแล้วเราดีแล้วเรามีความรู้สึกว่าเรามาถึงแค่นี้ก็พอแล้วนั่นคือทําให้เกิดความเฉื่ยชาประการที่สองก็คือทําให้เราไม่ทําตามพระมหาบัญชาเพราะอะไรครับเพราะว่าพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์นั้นเรียกร้องให้เราสอนสร้างสาวกอภิบาลดูแลเขาให้เขาเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าครับ เพราะฉะนั้นหากว่าเราไม่ได้ทําตามพระมหาบัญชาเรากําลังอยู่ในสภาวะแห่งความสุขสบายเพราะเรามีความรู้สึกว่าพระพรของพระเจ้าที่หลั่งไหลเร า, นะ ม, ามาถึงเราในทุกทุกวันเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับเราวันอาทิตย์เราก็มาโบสถ์เรานำมสการพระเจ้าเราฟริลฟิลความต้องการของเราเองเราฟรูลฟิลว่าเออเรารักพระเจ้าแล้วเรารับใช้พระเจ้าแต่ยังไม่ได้ทาาาําทตามพระมหาบัญชาพี่น้องของผมเน้นว่าทําตามพระมหาบัญชานั่นคืออะไรครับ ประกาศครับให้นำวิญญาณสั่งสอนให้คนเป็นสาวกอภิบาลดูแลเขาให้เขาเติบโตขึ้นนี่คือพระมหาบัญชาไม่ใช่คำบัญชาธรรมดาไม่ใช่คำสั่งธรรมดาแต่เป็นพระมหาบัญชาเพราะฉะนั้น first thing first นะครับเราต้องทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอเราต้องทำพระมหาบัญชาของพระเยซูกิเจ้าก่อนเสมอประการต่อไปสภาวะแห่งความสุขสบาย นำไปถึงความสนใจเรื่องบันเทิงเรื่องรมนะครับที่นี่บอกว่า entertainment and distractions distraction ก็คือสิ่งที่พาเรานะครับหันเหความสนใจของเราเนี่ยนะไปจากพระเจ้าไปจากไปจากแก่นแท้ของพระชนะแก่นแท้ที่เราต้องการอันเกิดจากน้ำมัไทยของพระเจ้าในพระคำของพระองค์เพราะฉะนั้นสาประการเนี่ยครับผมยกตัวอย่าง3ประการเนี่ย เกิดจากสภาวะแห่งความสุขสบายวันอาทิตย์หน้านะครับตอนเช้าผมจะเป็นคนที่เทศนาจะเทศนาเรื่องคอมฟอร์ทโซเนี่ยนะครับ40นาทีที่จะแบ่งปันให้กับพี่น้องวันนี้แค่แตะไว้ก่อนนะครับว่าความสุขสบายนั้นเป็นกับดักกับดักประการแรกเลยคอมฟอร์ทโซนเนี่ยทำให้เรานะครับเฉื่อยชาเฉื่อยชาไม่ทำตามพระมหาบัญชาและสนใจบันเทิงเริงรวม พี่น้องเคยรู้จักคำว่า education ใช่ัหมครับแล้วก็คำว่า entertainment เดี๋ยวนี้เขามีการสมาสองคำนี้ก็เรียกว่า e d u t a i n m e n t เคยได้ยินไหมครับ e d u t a i n m e n t คืออะไรครับทำการศึกษาให้เป็นความสนุกสนานความเรื่องบันเทิงเรืองรมเพื่อที่จะนำความสนใจมาถึงนักเรียน e d u t a i n m e n t พี่น้องครับคริสจักรหลายคริสจักรเนี่ยทำ e d u t a i n m e n t ถามว่าดีไหมดีครับแต่ในขันเดียวกันครับเราต้องอย่าเปลี่ยนเอดูเตนเมนต์หรือเปลี่ยนเอดูเคชันคริสเตียนเอดูเคชันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เพราะว่าจะไม่มีไม่มีร่องรอยหลงเหลืออยู่เลยในเรื่องของพระเจ้าเพราะในหลายๆครคิดจักนะครับเราจะเห็นนะครับว่าคำเทศนาก็ดีบทเรียนนวีวัตศึกษาก็ดีมีพระเจ้าน้อยมากนะครับ แต่มีเนื้อหาสาระเยอะแยะมากมายแต่มีพระเจ้าน้อยมากเนี่ยครับคือ entertainment และ distraction เวลามาโบสเวลาเราพาลูกหลานเรามาโบสลูกหลานเรากลับไปจะต้องท่องพระคัมภีร์ให้ได้สักข้อหนึ่งอย่างน้อยไม่ครับหรือจะต้องเล่าได้ว่าคุณครูสอนอะไรบ้างที่อยู่ในพระคมัมภีร์เพราะเขาสามารถที่จะหาความรู้ต่างๆมากมายเช่นเดียวกันครับ เราสามารถที่หาความรู้ต่างๆมากมายในฐานะเราเป็นคริสเตียนและเราเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นความรู้นั้นอาจจะอยู่ในสมาร์ทโฟนอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ในไอแพดความรู้นั้นอยู่ทุกที่แต่ความรู้ของพระเจ้าอยู่ที่ไหนครับความรู้ของพระเจ้าอยู่ในพระเจ้าของพระองค์เพราะฉะนั้นให้เราก้าวออกมาจากความสุขสบายนะครับก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนของเราพี่น้องครับพอพูดถึงเรื่องนี้บางท่านอาจจะมีข้อโต้แยง้งคิดอยู่ในใจว่าอาจารย์ เราเป็นคริสเตียนนะครับเราเนี่ยอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแล้วไม่ใช่หรือพระเจ้าเนี่ยนำเราให้เราเข้ามาสู่ความสะดวกสบายความสุขเอนจอยหรือจอยนะครับความสงบสุขความรื่นรมความชื่นชมยินดีไม่ใช่หรือเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนพี่น้องว่าไงครับเป็นน้องใช่ไหมครับคำตอบคือใช่ครับพระเจ้านำเราเข้ามาอยู่ในความสะดวกสบายอยู่ในความสุข ในพระวจนะของพระเจ้า2ทิโมธีบทที่6นะครับบอกว่าทางของพระเจ้าเนี่ยเป็นทางแห่งความชื่นชมยินดีเป็นทางแห่งความสุขครับแต่แต่ไม่ใช่เสมอไปหลายหายคนก็บอกว่าสุริบทที่23เนี่ยเป็นสุดีที่ชอบมากเลยพี่น้องครับสุดีบทที่23เริ่มต้นว่าไงครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าหยุดเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงนํำข้าพเจ้าไปยัง ริมน้ําแดนสงบทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้าอู้อ่านแล้วชื่นใจเหมือนกับเราเป็นแก่นะครับแล้วเราก็ถูกพาเดินไปอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ทุง่งหญ้าริมน้ําแดนสงบเห็นภาพไหนะริมน้ําแดนสงบนะแต่พออ่านต่อไปเนี่ยเขาไม่อ่านละอ่านต่อไปว่าไงครับเมื่อข้าพเจ้าเดินผ่านหุบเขาเงามัจุราชข้าพเจ้าจะไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิต อยู่กับข้าพเจ้าคทาและฐานพระกรของพระองค์อยู่กับข้าพเจ้าพระองค์ทรงวางสำรับข้าพเจ้าต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพเจ้าพี่น้องครับฉากหนึ่งเนี่ยเป็นริมน้ําแดนสงบอีกฉากหนึ่งเป็นอะไรครับศัตรูเงามัจจุราชนี่คือชีวิตของลูกของพระเจ้าจะมีสองอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราตลอดเวลาพระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าฟ้าอะไรครับ ฟ้านั่นจะไม่มีฝนนะครับพระเจ้าสัญญาว่าบางครั้งพระเจ้าจะเทฝนลงมาฟ้าจะครึ้มจะมีเมฆหมอกเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คริเสเตียนเรานั้นจะต้องรู้ว่าถ้าเราอยู่ในความสะดวกสบายนานเกินไปแล้วไม่มีอะไรมาขับเคลื่อนชีวิตของเรานะพี่น้องครับโปรดโปรดจําให้ดีนะครับพระเจ้าจะส่งบางสิ่งบางอย่างมาเมื่อวานนี้ถ้าใครเปิด เสียงศิยพิบาลนะครับเรื่องเล่าเช้าวันเสาร์ที่นี่มีใครฟังไหมครับลองไปเปิดฟังดูนะครับผมเล่าเรื่องปลาฉลามครับปลาฉลามชาวประมงญี่ปุ่นนะครับเขาต้องการปลาสดเพื่อที่จะมาป้อนตลาดเพราะว่าคนญี่ปุ่นชอบรับประทานปลาดิบใช่ไหมครับ สมัยก่อนในสมัยโบราณเนี่ยก็จะเป็นเรือไม้เรือติดเครื่องยนต์เล็กๆนะฮะออกไปหาปลาพอปลามันเริ่มหมดเนี่ยเขาก็ต้องมีเรือใหญ่นะครับมากขึ้นเรือใหญ่นี้จะเก็บปลาสดไม่ได้เพราะว่าปลามันขึ้นมาจากทะเลนะครับไม่นานปลามก็ตายฮะเขาก็เลยต้องเอาห้องเย็นนะครับห้องฟรีสเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือเัราเรือก็ต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับเพื่อที่จะเก็บปลาได้มากขึ้นแต่ถึงแม้การนั้นก็ดีอะไรเกิดขึ้นครับ ปลาที่ฟรีซเนี่ยก็ไม่สดทำปลาดิบก็ไม่ได้ไม่อร่อยคนญี่ปุ่นก็ไม่ชอบคนญี่ปุ่นก็เรียกร้องว่าเมื่อไหร่มีปลาดิบนะครับสดสดขึ้นมาจากทะเลตัวเป็นๆ เ, เลยแล่ออกมาแล้วทําปลาดิบให้กินนะครับชาวประมงญี่ปุ่นก็คิดเทคโนโลยีใหม่ก็คือแทนที่จะเป็นห้องเย็นนะครับเขาก็คิดเป็นแทงน้านะครับ แทงน้ําที่อยู่ในเรือแล้วก็ดูดเอาน้ําทะเลมาเก็บไว้ในแทงน้ําจับปลาได้เมื่อไหร่นะครับก็เอาปลาเนี่ยโยนเข้าไปอยู่ในแทงน้ําที่อยู่ในเรือครับปลากรามก็ว่ายไปว่ายไปว่ายปลาเขาก็ใช้เรือเนี่ยนะครับลอยลําอยู่ในทะเลจนกระทั่งจับปลาได้มากพอปลามันแน่นนะครับปลามันแน่นเรือมันก็โครงเครลงเวลาที่เรือมันแล่นกลับฝั่งเนี่ยนะครับปรากฏว่า ปลานั้นเหนื่อยอ่อนนะครับแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เหมือนกับเข้า ICU ียูนะครับคือมันเหนื่อยอ่อนนะพี่น้องที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประมงเนี่ยจะรู้หรือคนเคยขนปลาเนี่ยจะรู้นะครับขนปลามาจากมหาชัยขนปลามาจากใต้นี่นครับเขาจะต้องเอาใส่รถใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ไว้ในอ่างพลาสติกเนี่ยแล้วก็อัดอะไรครับอัดออกซิเจนอัดออกซิเจนอย่างเดียวไม่พอนะครับ คนที่ขายปลาคนที่ส่งปลาเนี่ยเขาจะต้องใส่ยาเพนิซิลินซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะเข้าไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าปลาเนี่ยนะครับเวลามันอยู่ชิดๆกันเนี่ยนะครับมันว่ายไม่ได้แล้วมันถูไปถูมาถูไปถูมาเนี่ยปลามันเป็นแผลครับปลามันเป็นแผลปุ๊บเนี่ยมันก็ติดเชื้อและเสร็จแล้วมันก็เน่านะครับแล้วมันก็ตายมันอยู่นานไม่ได้พอมากรุงเทพปุ๊บตายไปครึ่งหนึ่งอย่างนี้ครเพราะฉะนั้นเขายิงต้องใส่ยามานะครับถึงจะเอาปลา อยู่รอดได้แต่ปลาที่ปลาที่ถูกถูกอะไรครับถูกถูไปถูบาเบียดไปเบียดมานะครับเหมือนกับวัวหรือหมูเนี่ยที่มันขึ้นไปอยู่ในบนรถนะครับเพื่อที่จะส่งลงค่าเนี่ยมันจะซึมมันจะไม่อร่อยเช่นเดียวกันครับปลาของชาวประมงพวกนี้นะครับที่มีแทงน้ำอยู่ก็ไม่อร่อยเพราะหนีสุดแล้วมันก็ซึมแล้วมันก็มีเนื้อที่คนญี่ปุ่นบอกว่ายังไม่ใช่กลายเป็นโจทย์ใหม่ครับ ชาวประมงเนี่ยทำไงดีพี่น้องคิดว่าทาไงดีครับจะแก้ปัญหานี้มีใครฟังมีครับเมื่อวานนี้ <c oughs> นะครับชาวประมงเขาแก้ด้วยการาจับปลาฉลามครับใส่เข้าไปอยู่ในแทงถามว่าทำไมจับปลาฉลามใส่เข้าไปอยู่ในแทงเพราะว่าปลาฉลามไม่เป็นสัตว์นักล่านะครับมันกินปลาอื่นครับ แล้วเมื่อมันไล่งับปลาอื่นเนี่ยปลาอื่นมันต้องหนีครับเมื่อมันหนีปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็มีการเคลื่อนที่นะครับชาวประมงเนี่ยยอมเสียปลาบางตัวนะครับเพื่อที่จะให้ปลาที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นไงฮะมันแอคทีฟมันกระเตลือล้นมันมีชีวิตอยู่เพราะมันต้องการการอยู่รอดะครับและด้วยเหตุนี้เองปลาเหล่าเนี่ยมันก็เลยแอคทีฟเพราะมันหนีตลอดเวลานะครับพี่น้องเคยรับประทานหมูป่าไหมครับหมูป่า หมูป่าที่เลี้ยงด้วยเลี้ยงด้วยการช็อตไฟฟ้านะครับการช็อตไฟฟ้าเขาปล่อยไฟฟ้านะฮะอยู่ในบนพื้นนะครับแล้วพอหมูมันเนี่ยนะครับช่วงที่ปล่อยไฟฟ้าเนี่ยหมูมันก็จะโดนไฟช็อตใช่ไหมครับหนะมูมันก็จะวิ่งนะวิ่งนะแล้วมันก็ช็อตช็อตช็อตชอมันจะวิ่งกลายเป็นหมูป่าครับเพราะว่าหมูธรรมดากลายเป็นหมูป่าได้เพราะว่าใส่ไฟฟ้าเนี่ยช็อตหมูป่าหมูธรรมดาเนี่ยกลายเป็นหมูป่าได้เพราะมันวิ่งตลอดเวลาเ <T> ช่นเดียวกันครับ ปลาปลาฉลามเนี่ยลงไปในแท้งทำให้ปลาที่เหลืออยู่มันต้องตื่นตัวมันต้องวิ่งตลอดเวลาทำให้เนื้อปลาเนี่ยดีเหมือนกับจับมาใหม่ๆเลยครับแล้วมันไม่ตายด้วยนิทานเรื่องนี้ไม่ใช่นิทานครับเรื่องจริงครับสอนให้เรารู้ว่าอะไรครับหลายหลายครั้งทีเดียวเวลาที่เราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนนี่นะฮะพระเจ้าส่งปลาฉลามเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อที่ให้เราแอคทีฟมากขึ้น พระเจ้าส่งปลาฉลามปลาฉลามเนี่ยเปรียบเทียบ e ได้ย่งไรครับก็คือความยากลําบากถูกไ้มครับปัญห า, าต่างๆอุปสรรคต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราแล้วถ้าพี่น้องมีความรู้สึกว่าเป็นทเทศกาลมานานหลายปียังไม่มีปลาฉลามนะครับอธิฐานขอปลาฉลามสักหน่อยนะครับอธิษฐานขอปลาฉลามสักตัวสองตัวเข้ามาเพื <c> ่ <oughs> อที่จะให้ชีวิตของเราเป็นไงครับกระตือรือร้อนมากขึ้นเนอเอาจริงเอาจังมากขึ้นกับพระเจ้าเนะ อธิษฐานกับพระเจ้าเท่านี้รู้สึกว่าดีแล้วยังไม่พอนะอธิษฐานมากขึ้นอีกเนอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าคนที่ผ่านความทุกข์ยากลำบากผ่านการข่มเหงพระชนะของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับเขาจะเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าความทุกข์ยากลำบากทำให้เราเกิดความอดทนและความอดทนทาให้เราเกิดเราเป็นคนที่พระเจ้าทรง ใช้การได้ขอบคุณพระเจ้าพี่นกครองพระองค์พีมากนะเอาใหม่ครับความทุกข์ยากลําบากทําให้เราเกิดความอดทนและความอดทนนั้นทําให้เราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ใช้การได้เพราะฉะนั้นปลาฉลามทําให้เราอะไรครับทําให้เราเนี่ยสามารถกลายเป็นปลาดิบที่ที่อร่อยและสดปลาฉลามทําให้ชีวิตของเราทําให้ ชีวิตของเรานั้นกลายเป็นของถวายพระเจ้าที่ทรงคุณค่าปราฉลามทำให้ชีวิตของเรานั้นออกจากความเฉื่อยช้าออกจากการไม่ทำตามพระมหาบัญชาออกจากการสนใจการบันเทิงเลงืองลมเวลามีน้อยนะครับผมขอไปที่หัวข้อที่สองกับดักประการที่สองคือความสัมพันธ์ทีนี้ผมจะพูดเร็วขึ้นนะครับความสัมพันธ์นั้นมีอยู่สามลักษณะซึ่ง กับดักพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมานะฮะคอมฟอร์ทโซนก็ดีถามว่าดีไหมดีครับแต่อยู่อย่าอยู่นานเกินไปนะครับเราต้องเจอหุบเขาเงาวัจุราชบ้างเราต้องเจอฉลามบ้างอันที่2ครับความสัมพันธ์ถามว่าดีไหมคำตอบคือดีมากครับเวลาที่เรานําคนมาเชื่อพระเจ้าก็ผ่านความสัมพันธ์นะฮะเวลาที่เราทําอะไรนรีฮะผ่านความสัมพันธ์ทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ความสัมพันธ์นั้น ในแง่นหนึ่งกลายเป็นกับดักของชีวิตของเราเพราะมันทําให้เกิดการประณีประนอมได้นะครับคริสตจักรจาจนวนไม่น้อยนะครับในนี้เขียนบอกว่าคริสตจักรจาจนวนไม่น้อยที่ชอบอลรมุ่มอโลยนะครับโอนอ่อนผ่อนตามไม่ยึดมั่นยืนหยัดอยู่ในความเชื่อที่ถูกต้องโอนอ่อนผ่อนตามความคิดเห็นของคนด้วยนิสัยแห่งความประณีประนอมนั่นเองหลายคน ก็ไม่อยากขัดแข้งขัดขาหลายคนก็ไม่อยากเหยียบหัวแม่เท้าของคนอื่นในโบสถ์เพราะฉะนั้นก็ปณิบัติบณอมกันไปนะครับการปฏิบัติอมนั้นเองเนี่ยในแง่หนึ่งดีใช่ไหมครับผมบอกแล้วดีเพราะอะไรครับจะได้ไม่เกิดเรื่องราวแต่ถ้าเราไปฏีบัติอมอย่างไม่ถูกหลักการตามพระเจ้าของพระเจ้าแล้วเนี่ยนะครับการเปฏิบัตนินั้นกลายเป็นกับดักครับกลายเป็นหลุมพรางทําให้เราตก้งไปได้นะครับอันที่สองครับความสัมพันธ์นี้ นะครับที่เกิดจากการที่ว่าไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าก็ยังรักษาความสัมพันธ์อยู่ทุกวันนี้นะครับมีกลุ่มคนเรียกร้องให้ครสเทียนเปิดใจกว้างๆนะยอมรับและอดกลั้นต่อคนที่มีความเชื่อหลากหลายภาษาอังกฤษเรียกว่าเทอร์เรเลนตะตอนที่ผมอยู่ที่อเมริกาหนึ่งเกก้นี่ยนะครับเขาบอกว่าเทรนด์หลังจากปี2000เนี่ยนะครับศาสนาเนี่ยจะมีเทอร์เรเลน์ซึ่งกันและกันก็คือยอมรับซึ่งกันและกันอย่าไปมีความคิดแปลกแยกนะครับอย่าไปถือเราถือเขา แต่ยังยอมรับคนที่แตกต่างออกไปเพื่อความสงบสุขและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพี่น้องครับความคิดและหลักปรัชญาของโลกเนี้ส่วนใหญ่แล้วไม่เชื่อในเรื่องพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงในการที่เราจะบอกว่ามีพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าไม่เชื่อมีพระเจ้านะบอกโอเคนะไม่เชื่อว่าคุณคุณคุณไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าก็ไม่เป็นไรนะคุณไม่เชื่อว่า การอัิานมีจริงก็ไม่เป็นไรนะคุณไม่เชื่อว่าพระเยซูตายไม่ยังเขียนก็ไม่เป็นไรเชอรีบทที่14ข้อที่หนึ่งบอกว่าคนโง่รำพึงอยู่ในใจของตนว่าไม่มีพระเจ้าเขาทั้งหลายเลวซามลงกระทำกิจการที่น่าเกลียดน่าชังไม่มีสักคนเดียวที่ทำดี ในเพิ่มพีใหม่มัทธิวบทที่สิบสาพระเยซูได้ตรัสบอกกับพวกสาวกล่วงหน้าไว้แล้วว่าจะมีพระคิดเทียมเท็และผู้ทำนายเทียมเท็เกิดขึ้นหลายคนเขาทำหมายสำคัญและการมหัศจรรย์เพื่อล่อลวงผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้หลงไปได้หากค ร, รคิสตจักรไม่ไม่อยู่ในการปรีปนอมเพื่อรักษาความสัมพันธ์นะครับที่ วางอยู่บนความเชื่อหลักความเชื่อแท้แล้วลราก็คริสจักรจะสูญเสียเอกลักษณ์ของความเป็นคริสจักรไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็จะมีอิทธิพลต่อคริสจักรในการเดียวกันเขาทําหมายสําคัญก็ได้ทําการอัศจรรย์ก็ได้เพื่ออะไรครับเพื่อล่อลวงคนพระเจ้าให้หลงไปคนของพระเจ้าที่พระเจ้าเลือกสรรให้หลงไปและนี่คือและนี่คือหนึ่งนะครับในพระคริสต์เทียมเท็จผู้ทํานายเทียมเทป ท, ที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นการไม่เชื่อว่ามีพระเจ้านะครับหรือเชื่อว่าการอาศเซียนไม่มีมันส่งผลต่อต่อพระเจ้าของพระเจ้าทั้งเล่มนะครับส่งผลต่อพระเจ้าของพระเจ้าทั้งเล่มมีคนเคยพูดกับผมอย่างนี้นะครับว่าพระวจนะของพระเจ้านี่นะผมก็อ่านอ่านไปเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจแล้วเมื่อไม่เข้าใจเนี่ยผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทไมพระเจ้าเขียนยากจัง พระเจ้าจะเขียนให้ผมอ่านนี่ต้องเข้าใจได้ใช่ไหมต้องเข้าใจง่ายๆด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ดีนะต้องน่าจะเข้าใจได้ง่ายๆเพราะว่ายัางผมอ่านยังไม่เข้าใจเลยนะแล้วคนอื่นเนี่ยเขาจะอ่านเข้าใจหรือเห็นไหมครับนะอันนี้คือสิ่งที่คนพูดผมอยากจะก บ, บอกพี่น้องว่า พ, พระเจ้าทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการ สอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพักพร้อมที่จะทำการดีทุกอย่างพระวจนะของพระเจ้าทุกตอนครับในภาษากรีกภาษาเดิมเนี่ยบอกว่าพระวจนะของพระเจ้าทุกคำ every word of God นะครับ be inspired ก็คือคำทุกคำที่อยู่ในาาพระคัมภีร์นั้นถูกถูกดนใจเรียบร้อยแล้วเพระเาะฉะนั้น ตรงนี้ครับคนคนนี้บอกว่าผมจะเชื่อก็ต่อเมื่อผมเห็นตัวแดงตัวแดงคืออะไรครับภาษาอังกฤษนะครับในฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยพัมคัมภีร์ใหม่ซึ่งเป็นคําตรดของพระเยซูเนี่ยเขาจะพิมพ์เป็นตัวแดงครเวลาเราไปซื้อพัมคัมพีนะว่าขอพัมคัมพีฉบับเรด Let เตอคนขายเขาหยิบให้พี่น้องถูกเลยนะว่าเรดเลตเตอร์แปลว่าอะไรก็เรดเลตเตอก็คือว่ามีพิมพ์สองสีครับสีดํากับสีแดง ตรงไหนที่เป็นพระเยซูตรัสเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีแดงก็เพราะเขาเชื่อเฉพาะเรสเลเตอร์เชื่อเฉพาะสีแดงเท่านั้นเคยได้ยินไหมครับเคยเห็นคนแบบนี้ไหมครับผมเคยเจอคนแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเชื่อเฉพาะสีแดงเท่านั้นนอกนั้นเขาไม่เชื่อนอกนั้นเนี่ยเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นเรื่องมาสจรั์อิทธริปาติหารซึ่งมันไม่มีแล้วไม่มีเป็นไปไม่ได้พระเยซูบังเกิดจากหญิงพมจารีได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ พระเยซูเป็นขี้เหนียวความตายได้ไงเป็นไปไม่ได้โมเสสั้นยกไม้เท้าขึ้นพาชนชาติอิสราเอลเดินผ่านถิ่นทุรกันดารเดินผ่านทะเลแดงเป็นไปได้ไงเนี่ยครับคือสิ่งที่เขาไม่เชื่อคนเหล่านี้ครับเราปณีบัติหนของเขาได้ไหมเพื่อความสัมพันธ์ปณิบันอาไม่ได้เรายัางต้องสอนพระวจนะพระเจ้าอย่างถูกต้องเสมอครับประการที่สามครับ มีความแตกแยกไม่ลงรอยกันมีความเป็นไปนได้ครับที่คริสจักรนั้นมีคำสอนที่ดีแต่ในขณะเดียวกันครับความประพฤติของคนไม่สอดคล้องกับคำสอนนั้นทำให้เลยครับทำให้เกิดความแตกแยกอาจารย์เปโลได้กล่าวนะครับว่าท่านทั้งหลายจงทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้าเหมือนที่ข้าพเจ้าทำตามอย่างของพระคริสต์มาในจุดนี้เป็นจุดที่สาคัญครับขณะที่ พวกเราได้รับการสอนนะครับอีกหน่อยเราจะเป็นคนที่สอนคนอื่นพี่น้องครับชีวิตของเราที่สอนคนอื่นนั้นควรจะต้องทำตามที่สอนนะครับมีคนพูดอย่างนี้ว่าจงทำตามคำสอนของข้าพเจ้าแต่อย่าทำตามอย่างข้าพเจ้าจงทำตามที่ข้าพเจ้าสอนแต่อย่าทำตามที่ข้าพเจ้าทำเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาถือศาสนาแต่เปลือกนอกแกนแท้ของศาสนา ก็คือความประพฤติที่ออกมาจากใจเขาทำไม่ได้ครับชนชาตินี้ให้เกียรติเราแต่ปากใจของเขาห่างไกลจากเราพวกเขานมัสการเราโดยเปล่าประโยชน์พี่น้องครับถ้าชีวิตของเราไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราสอนเรานะเราทำนะครชีวิตของเราก็การมักการก็เปล่าประโยชน์ครับที่เรามานั่งอยู่ทุกๆอาทิตย์ทัวทิศทวทิศนะครับเปล่าประโยชน์ ไม่ได้มีความสำคัญในสายพเนตรของพระเจ้าเลยนี่เป็นคำพูดที่รุนแรงนะครับพูดง่ายๆว่ามาเสียของครับเสียของเสียเวลานะครับเสียอะไรทุกอย่างเลยเปล่าประโยชน์เพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำเราไม่ได้เชื่อฟังประการที่3มครับกับดักประการที่สามก็คือรูปเคารพรูปเคารพนั้นออกมาเป็นสามตอเล็กๆก็คือ รับความเห็นของพระเจ้ารับความเห็นของมนุษย์มากกว่าพระเจ้านะฮะอันนี้มีอยู่ในพระธรรมยอห์นพี่น้องลองจดไปนะครับแล้วไปดูที่นี่บอกว่าพวกเขารักการชมเชยจากมนุษย์มากกว่าการชมเชยจากพระเจ้าแสดงว่าคําชมเชยนั้นเป็นรูปเคารพนะครับของคนคนนั้น หลายคนนี้นะครับยึดติดอยู่กับคําชมเชยเพราะโอ้ยคนนี้เก่งคนนั้นน่ยดีคนนี้ต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ความสามารถของเรากลายเป็นรูปเคารพของเราหลายๆครั้งทีเดียวคนในคริสตจักรในสมัยปัจจุบันก็ชอบการยกยอปอปั้นของมนุษย์มากกว่าความพอพระทัยของพระเจ้าอันนี้คือการรับเอาความเห็นมนุษย์มากกว่าของพระเจ้าคำคําชมเชยจึงกลายเป็นรูปเคารพ สำหรับคนคนนั้นนะครับประการต่อไปก็คือการยุ่งอยู่กับการทำสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดก็กลายเป็นรูปเคารพเหมือนกับมารีกับมาธาครับมารีนั้นได้ฉวยสิ่งที่ดีที่สุดไว้แต่มาธาไม่ได้เพราะมารีฟังก่อนจะทำพี่น้องคิดไหมครับว่า การทำก่อนฟังและการฟังก่อนทำอันไหนถูกต้องครับฟังก่อนทำฟังว่าพระเยซูต้องการอะไรถึงจะฮิตเดอะพอยท์ทำได้ตามที่พระเยซูต้องการเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับเราอยากจะทำอะไรเราก็ทำแต่ไม่ได้ฟังพระเยซูหรอกจริงไหมครับฟังพระเยซูสักนิดหนึ่งนะครับเหมือนกับมารีฟังพระเยซูว่าพระองค์ต้องการให้เราทำอะไร เราต้องปรารถนาสิ่งใดแล้วเราก็ค่อยทำอย่ายุ่งอยู่กับการทำดีซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดประการสุดท้ายในกับดักที่สมนะครับก็คือเห็นแก่ตัวและเห็นแก่เงินคำว่าเห็นแก่ตัวและเห็นแก่เงินนั้นก็คืออีโก้ครับอีโก้คืออะไรครับคือตัวฉันความเห็นของตัวฉันนี่ถูกที่สุดตัวฉันจึงกลายเป็นรูปเคารพ เงินนะครับของเศรษฐีคนนี้เศรษฐีโง่คนนี้บอกว่าข้าพเจ้าโอ้เก็บเงินมาทั้งชีวิตไร่นะข้าพเจ้าก็อุดมสมบูรณ์ไม่มีที่เก็บละโกดังก็เต็มไปหมดแล้วต้องขยายโกดังใหม่ที่เก็บของใหม่อย่างนี้นะครับคือกับดักครับกับดักของเรื่องความเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินทํางานมาตลอดชีวิตต่อไปนี้ขอสบายสักทีอันนี้คือแผนการของมนุษย์ที่วางไว้นะครับหลายหคนเนี่ยวางแผนไม่อย่างดีเลยครับ แต่ไม่เคยถวายแผนงานนั้นให้กับพระเจ้าอย่าลืมนะครับสุภาษิตบทที่16กข้อที่หนึ่งบอกว่าอะไรฮะจงมอบแผนงานทั้งสิ้นของท่านไว้กับพระองค์และพระองค์จะทรงกระทาให้สำเร็จด้วยเหตุนี้ทำให้เรารู้ว่าการที่เราเอาแผนของตัวเราแล้วไม่ได้ถวายแผนให้กับพระเจ้าพิจารณานะครับแผนของเราตัวของเราจะกลายเป็นรูปเขาร เงินทองของเราที่เราหามาก็จะกลายเป็นลูกข่ารพบทำให้อะไรครับทำให้เราพึ่งเงินทองมากกว่าพึ่งพระเจ้าเวลาเรามีปัญหาอะไรเรานึกถึงเงินในกระเป๋าของเราก่อนนึกถึงพระเจ้าไหมพี่น้องครับในหลายหลายลัทธิเนี่ยก็สอนเรื่องเกี่ยวกับ health health คือสุขภาพ and wealth ก็คือคือความมั่งคั่งความร่ำรวย เขาบอกว่าคนที่เป็นลูกของพระเจ้านั้นก็จะต้องมีสุขภาพที่ดีและมีความมั่งคั่งร่ารวยถ้าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราสุขภาพไม่ดีแสดงว่าความเชื่อเราน้อยเราต้องรับการวางมือความเชื่อเราน้อยแถมยังเรามีบาปด้วยต้องสารภาพบาปรับการวางมือจากผู้เทศนานะครับถ้าเรายากจนเรามีปัญหาเศรษฐกิจ เช่นเดียวกันครับต้องได้รับการวางมือเพราะว่าความเชื่อเราน้อยความเชื่อเยอะนี่นะครับคุณจะมั่งคัง่งความเชื่อเยอะพระเจ้าจะอวยพรยกตัว อ, อย่างในพระคัมภีร์เหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้เห็นไหมครับนี่คือคำสอนเทียมเ ท, ท, ท็จที่เกิดขึ้นพวกนี้เขาเรียกว่า hell and well gospel หรือเรียกคำว่า prosperity gospel คนเหล่านี้นะครับเน้นเรื่องพระคุณแห่งความมั่งคัง่งและความมีสุขภาพดีพี่น้องครับอาจารย์รโลกล่าวว่ายงไง ขรุปารลได้กล่าวว่าเพราะเราไม่เหมือนกับคนเป็นมากที่เอาพระวจนะของพระเจ้าไปขายกินแต่เราประกาศด้วยอาศัยพระคริสต์อย่างคนซื่อสัตย์อย่างคนที่มาจากพระเจ้าและอย่างคนที่อยู่จําเพาะพระพักของพระเจ้าพี่น้องครับนี่คืออย่างที่สามกับดักยำที่สาอย่างสุดท้ายครับก็คือไม่เชื่อพระคัมภีร์ทั้งหมดเชื่อแค่บางตอนนะครับหลีกเลี่ยงที่จะสอนพระคัมพีทั้งหมด สตอนที่ชอบหลีกเลี่ยงที่จะสอนตอนที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ยากลําบากหลีกเลี่ยงที่จะสอนให้ติดตามพระเยซูอย่างแท้จริงหลีกเลี่ยงที่จะสอนที่จะบอกว่าอืมต้องละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่ต้องวางตัวเองลงปฏิเสธตัวเองแบกกางเขนติดตามพระเยซูและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้านั้นเรียกร้องให้เราทําพระเยซูเรียกร้องให้ทําแต่เราหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำหลีกเลี่ยงที่จะสอนสิ่งเหล่านี้ อันนี้เป็นประการแรกประการต่อไปครับไม่ได้สอนด้วยสิทธิอำนาจของพระเจ้าบางคนนะครับอาจจะมีความรู้มากมายไก่กองแต่ว่าไม่มีความกระตือร้นขาดไฟฮะขาดสิ่งที่อยู่ข้างในที่เป็นแรงขับเคลื่อนขาดพรววิญญาณบริสุทธิ์ในการเจมิมในการเติมเต็มนะถ้าคุณอยากจะทาอย่างนี้ก็เชิญเลย แต่ถ้าไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรเลือกได้ตามสบายถ้าคุณอยากจะประกาศคุณก็ประกาศเห็นไหมครับพี่น้องครับเราไม่ได้สอนด้วยสิทธิอำนาจของพระเจ้าเพิ่งพีสอนว่าคริสเตียนทุกคนต้องประกาศครับคริสเตียนทุกคนต้องนำวิญญาณนะครับไม่ใช่อยากจะทำอยากจะนำอยากจะประกาศก็ประกาศไม่ได้ครับไม่อยากทาไม่เป็นไรเลือกได้ตามสบายเลย เนี่ยครับคือสิ่งที่เราไม่ได้สอนโดยใช้สิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ครับแลเราไม่ได้อ้างสิทธิอำนาจของพระคมีในการสอนนะครับชีวิตคริสเตียนหรือสมาชิกในคริสตจักรมันนี่คือกับดักนะครับเพระาะเจนะของพระเจ้า2ทีโมธีบทที่4ข้อ3ได้บอกว่าเพราะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคําสอนที่ถูกต้องไม่ได้พี่น้องฟังครั้งครับ เพราะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำสอนที่ถูกต้องไม่ได้แต่พวกเขาจะรวบรวมครูไว้สำหรับตนตามความอยากของตนเองเพื่อสนองหูที่คันพวกเขาจะเลิกฟังความจริงและหันไปฟังนิยายต่างๆเปาโลกาชับทิโมธีอย่างเคร่งครัดนะครับว่าแต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคงทุกเรื่อง จงอดทนต่อความยากลาบากจนทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐและจงทำพันธกิจของท่านให้ครบบริบูรณ์คนอื่นจะทำยังไงไม่รู้แต่อคาทูสเปาโลเขียนไปให้ทิโมธีบอกชัดเจนว่าให้สอนให้ทำสอนพระวจนะของพระเจ้าหนักแน่นมั่นคงในทุกเรื่องอดทนต่อความทุกข์ยากลาบาก ทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐให้เต็มที่ทำพันธกิจให้ครบบริบูรณ์พี่น้องคนระับสอ ท, อทีมทีบทที่4ก็ 3- 5้าลองไปอ่านดูแปะไว้ข้างฝาครับเราทําพันธกิจครบถ้วนบริบูรณ์หรื อ, อยังครับเราทําหน้าที่ผู้ประกาศข่าวประเสริฐหรื อ, อยังครับเราอดทนต่อความทุกข์ยากบากหรื อ, อยังครับเราหนักแน่นมั่นคงหรื อ, อยังต่อไปครับไม่มีการลงวินัยในขื้นจักร ตรงนี้คำว่าลงวินัยนี่ผมจะขออนุญาตปรับให้มันเบาลงนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าไม่มีวินัยในคริสตจักรคาว่าไม่มีวินัยในคริสตจักรผมจะบอกกัเนเพราะว่าใ น, นพระบิดสุภาษิตเนี่ยชัดเจนว่าอะไรครับบอกว่าเขาตายเพราะขาดวินัยในชีวิตคนเราเนี่ยนะครับจะตายก็เพราะขาดวินยัยคําว่าวินัยก็คือคําสั่งสอนนั่นเองเขาตายเพราะขาดวินัยในชีวิต คนที่ไม่รู้เรื่องนะครับต้องสอนให้เขารู้เมื่อเขารู้แล้วเนี่ยเขาจะทำหรือไม่ทำนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยภาษาอังกฤษใช้ว่า ignorant คนที่ไม่รู้สมองเขาอาจจะไม่ดีหรือเขาอาจจะไม่ได้เรียนนะครับแต่คนที่สอนแล้วเขารู้ครับแต่เขาไม่ทำเขาเรียกว่าคนดือ้อคนขี้เกียจพระเี่ใช้คาว่าคนขี้เกียจนะครับคือรู้แต่ไม่ทำ แต่ณที่คนไม่รู้พึงพีเรียกว่าเป็นคนอ g ก o น e นะครับคนอิกโนรั่นก็คือคนที่โง่ไม่รู้เรื่องแต่คนที่รู้แล้วไม่ทำเรียกว่าคนขี้เกียจคนที่รู้แล้วทำพึ่งพชใชฌคําคำว่าคนที่มีปัญญาวิ s d o มนะครับมันเป็นสเต็ปของการวิยหรือทิชชิ่งหรือการการ กระบวนการการให้เกิดวินัยในคริสจักพี่น้องผมอยากจะก่อนที่ผมจะจบนะครับผมอยากจะแบ่งปันอย่างนี้ครับว่าสมัยนี้เนี่ยการศึกษาสมัยใหม่นี่นะเขาบอกว่าห้ามตีเด็กใช่ไหมครับนะห้ามตีเด็กจะลงโทษเด็กเหรออ๋อเอาไปเข้ามุมให้เขาเนี่ยยืนอยู่เฉยๆหรือนั่งอยู่เฉยๆนะครับ time off 10นาที time off หรือเปล่าก็เรียก time off ไทมเอาท์สิบนาทีไทม์เอาท์สิบนาทีไปยืนอยู่ห้ามตนะีตีผิดกฎหมายนะครับแต่พระกมพีสอนว่าองไครับอย่าสงวนไม่เลียวไว้สำหรับเด็กพูดง่ายก็คือว่าถ้าเขาจะได้รับการลงโทษด้วยการตีเนะี่ยการตีนี่เนะี่ยเป็นการตีด้วยความรักไม่ใช่ตีด้วยความโกรธตีด้วยความรักเนี่ย ผมเด็กๆถูกตีมาก่อนคุณพ่อผมเนี่ยตีผมตีไปท่านก็ร้องไห้ไปตีผมเสร็จท่านก็ตีตัวเองแล้วก็บอกว่าพ่อตีตัวเองเพราะพ่อสอนลูกไม่ได้พ่อตีลูกให้ลูกเจ็บเพื่อที่จะจำพ่อตีตัวเองท่านก็เอาไม้ที่ฟาดผมเนี่ยฮะตีตัวเอง ตีตัวเองเพราะว่พาพ่อเสียใจที่สอนลูกไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าตีด้วยความรักพี่น้องครับพระเจ้าของเราก็ตีสอนเรานะครับนแต่พระเจ้าคงไม่ได้เอาไม้ฟาดเรานะแต่ไม้เรียวเนี่ยครับผู้ผีผู้ชัดเจนไม้เรียวเนี่ยนะครับก็คืออินสตรักชั่นก็คือคำสั่งสอนทำให้ลูกหยุดพฤติกรรมนะครับหยุดพฤติกรรม และสํานึกเพราะฉะนั้นผมจะบอกกับพี่น้องครับว่าการลงวิในหรือการควบคุมวิในเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะไม่ตกอยู่ในหลุมพรางและกับดักครับการสอนลูกให้ตื่นเช้าขึ้นมาอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์เป็นเรื่องสำคัญการสอนตัวเองให้ตื่นขึ้นมาอธิษฐานก่อนนอนอธิษฐานเป็นเรื่องสำคัญหลายหลาคนมีลูกนะครับอธิษฐานกับลูก ที่ฐานกับสามีกับภรรยาของตัวเองทําให้เป็นนิสัยเป็นกิจวัตรเป็นวิเนยครับและลูกเราเมื่อเราเลี้ยงลูกเรานะครับให้อยู่ในทางของพระเจ้าเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะไม่พลากจากทางนั้นสุภาษิตบทที่ยี่สบสองข้อหกเพื่อนครับผมจะจบอย่างนี้ครับว่าในขณะที่พระเจ้านะครับช่วยเราพระเจ้าก็จะสร้างเรานะครับการสร้างของพระเจ้าเนี่ยมีหลายรูปแบบครับแต่ ทุกๆรูปแบบนะครับมีทั้งหวานทั้งขมครับมีทั้งมีความชื่นชมยินดีและมีเวลาที่เราจะต้องถูกถูกขนาบนะครับถูกสอนเพราะฉะนั้นการที่เราเองนั้นเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเราจะรู้ว่าพระเจ้ารักเราแค่ไหนนะก็คือว่าเราเนี่ยได้รับการเตือนมากแค่ไหนจากพระเจ้าเราอ่านพระเจนะของพระเจ้าทุกเช้าทุกเช้าเนี่ย พระเจ้าเตือนเราทุกเช้านะครับพระเจ้าเตือนเราผ่านทางผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณพระเจ้าเตือนเราในหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นจากสถาน ก, การณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราผ่านทางความทุกข์ยากลาบากผ่านหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องครับถ้าเราเจอแบบนี้จงมั่นใจและดีใจว่าเราเป็นลูกที่รักของพระเจ้านะพระเจ้าช่วยเรานะครับและพระเจ้าก็ ยินดีที่จะให้เราเริ่มต้นใหม่เสมอเมื่อพระเจ้าตีเราพระเจ้าไม่ได้ตีเราจนตายนะครับพระเจ้าตีเราเพื่อให้เรากลับใจพระเจ้าตีเราให้เราได้รับคําสอนนะครับพระเจ้าคุมเราเพื่อไม่ให้เราตกไปในหลุมพรางและกลับดักให้เรารด้วยมใจฉาเหงาในฌานครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระเจ้าของพระเย็นเช้า ว, วันนี้ในบ่ายวันนี้ขอขอบคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ท่ำเคลื่อนไหวท่ามกลางข้าพพงทั้งหลาย ให้พระเจนะของพระเจ้านั้นเป็นชีวิตของข้าพ้งษ์หลายแม้ว่าหลายๆคําพูดหลายประโยคถ้าพงษทั้งหลายอาจจะไม่เห็นด้วยในเวลานี้หรือไม่อยากที่จะได้ยินขอพระเจ้าได้อวยพ ร, พ ร, ใ, หพ ร, พรให้พระเจนะของพระองค์ที่ได้ผ่านเพระาะธรรมของพระองค์ในเช้าในบ่ายวันนี้ได้ไปถึงชีวิตของผู้ได้ยินใน้ฟังและเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพงษ์หลายทุกทุกคนหลายพร้อมใจกันฐานมอบซึ่งกันและกันไว้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน